นิพพานมีอัตตาไหมเป็นอัตตาไหมพยายามตอบให้สั้นดังนี้ข้อแรกบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ใช้คําเรียกให้สั้นที่สุดว่าธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับยืดออกไปหน่อยว่าสภาวะหรือสภาวะธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า สิ่งทั้งหลายนั้นมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันที่เป็นของมันอย่างนั้นเช่นนั้นตามธรรมดาของมันถ้าเป็นสังขารหรือสังคตธรรมก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อพูดถึงนิพพานที่เป็นวิสังขารหรืออสังคตธรรมนิพพานก็มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของนิพพานซึ่งเป็นอย่างนั้นนั้นเช่นนั้นนั้น เช่นว่าเป็นภาวะบริสุทธิ์ไม่ขึ้นต่ออะไระไรเป็นต้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วมากมายเมื่อนิพพานมีภาวะของนิพพานอย่างนั้นเป็นธรรมดาเช่นนั้นอยู่แล้วจะมีอัตตามาแทรกมาซ้อนมาครอบมาครองมาสั่งบังคับบงการบัญชานิพพานอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้ามีอัตตาขึ้นมา นิพพานก็เป็นนิพพานอยู่ไม่ได้จึงเห็นอยู่ชัดๆว่าอัตตามีไม่ได้ข้อสองคนที่พูดถึงอัตตาพูดถึงนิพพานนั้นบางทีก็ยังไม่รู้ชัดไม่รู้เพียงพอว่าอัตตาหมายถึงอะไรนิพพานมีความหมายอย่างไรเมื่อพูดไปก็สับสนเอง และพาคนอื่นให้ยุ่งนิพพานเมื่อเรายังไม่ตรัสรู้ก็ดูตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ส่วนอัตตาก็ควรเข้าใจความหมายให้ตรงกับเรื่องที่เขาเอามาตั้งเป็นปัญหานั้นไม่ใช่คิดเอาเองหรือคลุมเครือกำกวมอย่างในภาษาไทยอัตตานั้น พอปลเป็นไทยว่าตัวตนหลายคนก็ชักเขวบางคนถึงกับเข้าใจผิดว่าที่ว่ามีตัวตนไหมคือมีจริงไหมดังนี้เป็นตน้นอัตตานี้ที่ว่าตัวตนนั้นถ้าจะให้ชัดขึ้นก็คือตัวเราตัวเขาขอให้ดูตัวอย่างในพุทธภาษิตบาลีที่แม่นกันทั่วไปว่า อัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคือตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราซึ่งตัวเขาก็เป็นที่พึ่งของตัวเขานี่เป็นการใช้ในภาษาสมมุติทีนี้ในความจริงแท้เราก็เรียนรู้กันว่าตัวเรานั้นไม่มีจริงเรายอมรับกันแค่ตามสมมุติแต่ตอนนี้พูดถึงนิพพานก็จะพูดถึงความจริงที่แท้กันละ ก็คือถามว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวเราหรือเป็นตัวเขาไหมท่านผู้รู้บางท่านจะช่วยให้ชัดท่านใช้คำที่เข้มคงตรงจุดไปเลยว่าตัวกูก็พูดให้เข้มอย่างท่านว่านิพพานเป็นตัวกูไหมพอบรรลุนิพพานนิพพานก็เป็นอัตตาเป็นตัวกูอย่างนั้นหรือ นิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูจริงไหมถ้านิพพานเป็นอัตตามาเป็นตัวกูก็มาเป็นเจ้าการนิพพานก็จะสั่งการบังคับบัญชาอะไรอะไ ร, ะไรตามปรารถนามาสั่งบังคับวงการอะไรก็ไม่มีอะไรอื่นให้สั่งนอกจากสั่งบังคับสังขารหรือบังคับขันห้าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้ามจากอสังคตะเข้ามายุ่งกับสังคตตาธรรม ถ้าอย่างนี้นิพพานก็หมดภาวะของนิพพานไม่มีเหลือไม่ตรงกับภาวะของนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยก็ไม่ใช่นิพพานแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่นิพพานแบบพระพุทธเจ้าข้อสาพอบอกว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวกู ตอนนี้เปลี่ยนไม่เอาขันห้าหรือสังขารเป็นเอโซเมอตตาแต่เอานิพพานเป็นอัตตาคือเป็นเอโซเมอตตาพอบอกว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูก็มาเข้าเรื่องความยึดถือหมายความว่านิพพานจะเป็นอัตตาจะเป็นตัวกูได้ก็คือมีความยึดถือได้แก่อุปาทาน นี่ก็ขัดกับสภาวะธรรมเองเราจะประจักษ์นิพพานได้ต้องหมดเส้นอุปาทานแล้วจะถึงนิพพานก็เมื่อไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดถือไม่ต้องพูดถึงจะยึดเอานิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูแม้แต่เมื่อบรรลุนิพพานแล้วพระอระหันต์ก็ไม่มีความสำคัญหมายว่านิพพานของเราหรือของข้าของกู การยึดถือนิพพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูจึงไม่เข้าแม้แต่ในทางของนิพพานข้อสี่ถ้าจะให้นิพพานเป็นอัตตาที่ต่างหากเป็นตัวกูที่ใหญ่สูงสุดนิพพานก็เป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าการที่สั่งบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอัตตาคืออัตมันสูงสุดกลายเป็นอย่างปรม า, ามันหรือพระพรมหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้บรรดาลผู้สร้างโลกจัดสรรมนุษย์อย่างในศาสนาเทวานิยมนับว่าเป็นเจ้าใหญ่แห่งสัพรพสังขารแต่นิพพานเป็นสภาวะบริสุทธิ์สุขสงบเป็นอิสระเป็นวิสังขารพ้นไปนแล้วจากสังขารไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสังคตธรรม เป็นต่างเรื่องต่างสภาวะห่างไกลยังตรงข้ามกันจึงเป็นไปไม่ได้ข้อหย้ำที่หลักสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอัตตาโดยตรงหลักพระพุทธศาสนาบอกชัดเจนว่าการถืออัตตาการถือว่ามีว่าเป็นอัตตาเป็นกิเลส ที่เรียกว่าอุปาทานคือความยึดติดถือมั่นหรือถือผิดอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอัตตวาทุปาทานแปลว่าความยึดติดถือมั่นว่าทะว่ามีว่าเป็นอัตตาอย่างที่พูดมาแล้วว่าภวะตัณหาคือความอยากให้ตัวตนมีอยู่เป็นอยู่ยั่งยืนตลอดไป อันนี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความยึดถือหรืออุปาทานนี้แต่ถ้าอยู่แค่ภวะตันหาก็ได้แต่ยากยังไม่มาถึงตัวปัญหาจริงตอนนี้เราข้ามเรื่องตัญหามาจับที่อุปาทานตัวเจ้าของเรื่องนี้เลยขอให้สังเกตชื่อของกิเลส ต, ตัวนี้ว่าชื่อยาวคืออัตวาทุปาทานไม่ใช่มีเฉพาะตัวอัตตา กับความยึดที่เรียกว่าอุปาทานแต่ยังมีคำว่าวาทะแทรกเข้ามาอีกด้วยนี่ก็คือไม่ใช่แค่ว่าอุปาทานยึดอัตตาแต่กลายเป็นอุปาทานยึดวาทะว่าอัตตาที่ว่าให้สังเกตก็เพราะว่าดังที่เคยกล่าวแล้วว่าอัตตาไม่มีจริง เมื่ออัตตาไม่มีจริงถ้าพูดอย่างเกรงกลัดจะไปยึดถืออัตตาที่ไหนเพราะไม่มีอัตตาให้ยึดในที่นี้เป็นศัพท์สำคัญจะให้ชัดก็ใส่วาทะแจ้งเข้ามาก็ได้ความว่าไม่ใช่ยึดอัตตาแต่ยึดวาทะแม้แต่ถ้อยคำที่สอดแสดงความคิดความเข้าใจว่ามีว่าเป็นอัตตาก็เป็นกิเลสที่ต้องละ เป็นคำศัพที่เรียกได้ว่าเคร่งครัดเคยบอกแล้วและยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วว่าในที่ทั่วไปบางที่ท่านใช้คำแค่ห ล, มหลวมๆเช่นว่าละอัตตาก็ให้รู้กันว่าหมายถึงละความยึดถือในความเห็นว่าเป็นว่ามีอัตตาทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญ ดังที่ว่าอัตตวาทุปาทานนี้เป็นกิเลสสำคัญอยู่ในอุปาทานสี่ที่พระอรหันต์ละหมดสิ้นแล้วผู้ที่หมดความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาไม่ยึดถือเอาอะไรเป็นอัตตาแล้วจึงจะบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เป็นอันชัดไปว่าผู้ถึงนิพพานคือพระอรหันต์นั้นไม่ยึดเอาอะไรเป็นอัตตา รวมทั้งไม่มองไม่หาไม่เอานิพพานเป็นอัตตาส่วนคนที่ยังมีอัตวาทุปาทานยังยึดถือวาทะว่ามีอัตตาหรือเห็นอะไรเป็นอัตตาก็คือผู้ยังมีกิเลสยังไม่เห็นยังไม่ถึงนิพพานคนเหล่านี้ยังยึดถืออัตตามากบ้างน้อยบ้างแต่นี้เมื่อ ย, ยังไม่รู้จักนิพพานยังไม่พบของจริง ที่เป็นวิสังขารแม้ว่าเขาจะยึดอะไรก็ตามเป็นอัตตาถึงแม้จะยึดเอนิพานเป็นอัตตาแต่เขาไม่ถึงนิพพานจึงรู้จักแค่สังขารมองเห็นแค่สังขารดังนั้นทุกอย่างที่เขายึดถือว่าเป็นอัตตารวมทั้งนิพพานของเขาก็เป็นแค่สังขารคือวนเวียนอยู่ในขันห้าเท่านั้น คือว่าถ้าเขาว่านิพพานเป็นอัตตาก็คือเขายึดเอาภาพของนิพพานซึ่งที่จริงเป็นสังขารในขันห้าว่าเป็นอัตตาหมายความว่าการยึดถืออัตตาของเขาไม่พ้นไปจากขันห้านั่นเองในที่สุดจึงสรุปด้วยพุทธพจน์ว่าเรามองไม่เห็นความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาอย่างใด ที่เมื่อยึดติดถือมั่นเข้าแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโศกะปริเทวะทุกโทมนตสอุปาญาตอัตวาทุ ป, ปาทานความยึดถือวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาแปลสั้นว่าลัทธิอัตตาคือลัทธิหรือทฤษฎีที่ถือว่ามีอัตตา